ไงวันนี้ทีมอกหักรุ่นหนึ่งเหรอมันหักตรงไหนมันได้มาก่อนคนอื่นเขาอีกนะนได้มาเรียนก่อนคนที่เป็นจับฉลากคนจับฉลากส่วนมากปีนี้ไม่ได้แล้วไปต้ปีหลังๆเพราะปีนี้มีสามร้อยกว่าคนเองมีทั้งข้อดีข้อเสียนะจับได้เร็ว ไ, ได้มาอยู่เร็วมาเรียนพื้นฐาน เสร็จแล้วไม่ได้ใช้สิทธิ์ไปแล้วหมดสิทธิ์คนที่มาทีหลังถ้าตั้งใจเรียนนะใครมาส่งกันบ้านชั้นสูงจะมาส่งว่าเป็นผมเป็นพ่านาคาแล้วจะต่อยอดอยังไงมาเบสิกมาเริ่มต้นนะทำยังไงสติจะเกิดอะไรเงี้ยหรือทำาไงจะเลิกเพ่งคำถาม ของคนหัดใหม่กับคนหัดเก่าไม่เหมือนกันการภาวนานะมันไม่ได้ยากอะไรนะไม่ยากอะไรขั้นแรกเลยรู้สึกตัวขึ้นมาให้เป็นก่อนผู้ปฏิบัติส่วนมากมันไม่รู้สึกตัวผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่นะมุ่งไปทําความสงบมันฝังอกฝังใจอยู่อย่างเดียวว่าต้องสงบแลถึงจะเกิดปัญญาคิดอยู่แค่นั้นนะ ถ้าถูกต้องนะต้องบอกว่าต้องมีสัมมาสมาธิถึงจะเกิดปัญญาเราไปแปลมักง่ายเราไปแปลว่าสัมมาสมาธิคือจิตสงบจิตสงบ ก, กับจิตตั้งมั่นไม่เหมือนกันนะสัมมาสมาธิคือจิตมันตั้งมัน่นจิตมีความตั้งมัน่นไม่ใช่จิตสงบจิตฟุ้งซ่านก็ได้แต่จิตตั้งมัน่นฟังแล้วก็แปลกหลวงพ่อพุธเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังนานแล้วนะตอนนั้น ตอนนั้นฟังเรายังไม่เข้าใจท่านท่านบอกท่านอยู่กับหลวงปู่เสาสมัยนั้นอยู่กับหลวงปู่เสา เ, เ, เ, เป็นเนนไะม่ใช่หลวงปู่เสาเป็นเนนนะหลวงพ่อพุธเป็นเนนวันหนึ่งหลวงปู่เสเาก็บอกกับเนนพุธบอกเนนวันนี้จิตของข้าไม่สงบเลยบอกเนนพุธฟังแล้วงงเขาก็ลือว่าท่านเป็นพระอรหันต์นะทำไมพระอรหันต์จิตไม่สงบเลย ทำสิ่งจิตท่านตั้งมั่นตลอดนีจิตไม่มีเคลื่อนไหวคลอนแกลนเลยไอ้ตรงที่มันไม่สงบคือขันมันทํางานนี่พวกเราไม่เข้าใจเราคิดว่าต้องสงบก็พยายามน้อมขันให้มันสงบขันสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้เท่าเทียมกันนะแต่จิตถ้าตั้งมั่นอยู่ก็จะแค่เห็นขันมันทํางานเห็นพวกเราอย่าไปแปรมัวซั่วอย่าไปแปลสมาธิว่าสงบสมาธิแปลว่าตั้งมั่น จิตที่ตั้งมั่นกับจิตที่ไม่ไหลไปไม่หลงไม่ไหลไปนี่ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่นะไม่มีจิตที่ตั้งมั่นมีแต่จิตที่ไหลเข้าไปไหลไปทางซ้ายทีทางขวาทีข้างบนทีข้างล่างทีไปอดีตไปอนาคตไปโน้นไปนี่ไหลไปไหลมาไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้เรียกว่าจิตฟุ้งซ่านส่วนจิตตั้งมั่นนะจิตมันจะเห็น เห็นจิตมันไหลไปมีจิตอีกดวงหนึ่งนะตั้งมั่นเป็นคนดูสบายๆไม่ได้บังคับให้ตั้งมั่นนะดัง้ต้องแยกให้ออกระหว่างจิตที่ไหลไปถ้าไหลไปน้่นไหลไปนี้ไหลไปแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ตลอดเวลาเรียกว่าจิตฟุง้งซ่านถ้าไหลไปแล้วไปนิ่งอยู่ในอารมณ์มเดียวเช่นไหลไปอยู่ที่ลมหายใจ ไหลไปอยู่ที่ท้องพองยุบไหลไปอยู่ที่เท้าไหลไปอยู่ที่มือไหลไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วก็นิ่งๆอยู่ที่นั้นก็เรียกว่าสงบอยู่ในอารมณ์มันนั้นสงบอยู่ไม่ใช่ตั้งมั่นอยู่แต่ตั้งมั่นอยู่นะั้นสงบในตัวที่ตั้งมั่นนั้นมันสงบแต่ขันมันจะเคลื่อนไหวไปมาถ้าเคลื่อนสเป ส, สปะนะเคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวาเคลื่อนอดีตเคลื่อนอนาคตก็เรียกว่าฟุงา้งซ่าน ถ้าเคลื่อนไปนิ่งอยู่ในอารมณ์ันเดียวเรียกว่าเคลื่อนไปสงบจิตที่สงบนะอย่างจิตของพลมทั้งหลายยังเป็นจิตออกนอกอยู่ยังเป็นจิตส่งออกอยู่มันเคลื่อนไปส่วนผู้ปฏิบัติเราจะฝึกจนกระทั่งจิตของเราตั้งมั่นขึ้นมาจิตตั้งมั่นนะไม่ไหลไปไหลามาแต่ไม่ได้ประคองเอาไว้ถ้าประคองเอาไว้ก็ยังเป็นจิตสงบอีก จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยสำคัญมากถ้าปราศจากจิตที่ตั้งมันน่นนะจะไม่เกิดปัญญาอย่างพวกเราหลายคนไปภาวนานะเข้าวัดเข้าคอร์สนะบางคนเข้าคอร์สหลายหน ล, ลําบากลําบนมากมายนะกินอยู่อะไรลำบากไปหมดยืนเดินนั่งนอนลําบากไปหมดเลยเครียดมัวแต่เพง่งเพงบังคับไว้อย่างเดียวนะบางคนก็ไปนั่งสมาธิเคลิ้มเลิ้มลื ม, ลมเน้ลืมตัวนี่ล้วนแต่ใช้ไม่ได้เเหมือนเหมือนกัน พวกหนึ่งภาวนาแล้วเคร่งเครียดพวกหนึ่งภาวนาแล้วเคลิบเคลิม้มมาใช้ไม่ได้จิต ท, ที่มันตั้งมั่นรู้เนื้อ ร, รู้ตัวอยู่มจะมีลักษณะเด่นคือมันเบามีความเบามีละพุตามีความอ่อนโยนนุ่มนวลเรียกว่ามุทุตาไม่ถูกกิเลสตัณหาใดๆครอบงำํำนะควรแก้การงานนะถ้าถูกกิเลสครอบงำอยู่ไม่ควรแก่การงานเรืนะ่อกรรมญญต า, า, ตาควรแก่การงาน จิต ท, ที่ตั้งมั่นอยู่จะมีความคล่องแคล่วในการรู้อารมณ์ไม่ใช่ซึมกระถือทื่อๆเครีๆแข็งๆเรียกนะว่ามีปาคุณตามีความคล่องแคล่วจิต ท, ที่ตั้งมั่นอยู่จริงๆเนี่ยจะมีความซื่อตรงในการรู้อารมณ์อารมณ์ใดปรากฏก็รู้ซื่อๆรู้แล้วไม่แทรกแสงเรียกว่าจิตมีความตั้งมั่นถ้าจิตมีความตั้งมั่นอยู่เนี่ยจะเกิดปัญญา จะเห็นกายเห็นใจนั้นแสดงใจรักษณ์ในทันทีมีคําว่าในทันทีด้วยะจะเห็นทันทีเลยใจรักษจะปรากฏขึ้นกายนี้แสดงความเป็นใจรักษณ์ไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็แสดงความเป็นใจรักษณไม่ใช่ตัวเราในทันทีที่จิตตั้งมั่นขึ้นมานี่พวกเราภาวนาบางคนตั้งหลายปีแล้วยังไม่เห็นกายเห็นใจเป็นใจรักษณ์เลยมีแต่รู้สึกว่ายิ่งภาวนายิ่งเที่ยงยจิตสงบคงที่เที่ยงตลอดเนี่ย นี่พวกหลงผิดบางคนภาวนาแล้วจิตน้อมไปอยู่ในความว่างนี่เที่ยงตลอดเลยในความว่างนี้มีแต่ความสุขด้วยเห็นไหมมีทั้งเที่ยงมีทั้งสุขแล้วรู้สึกว่ากูเก่งกูบังคับได้เป็นอัตตาภาวนาผิดแทนที่จะเห็นกายเห็นใจเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะกลับจะเห็นกายเห็นใจเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเนี่ยสะสมมิจฉาทิฏฐิมากกว่าเก่าอีกอย่างหลายคนนั่งภาวนานะ ทนเจ็บทนปวดได้นั่งโต้รุ่งได้พอหมดเวลานั่งมันภูมิใจลึกๆนะกูเก่งกูเก่งขึ้นมาองกถ้าภาวนาแล้วกิเลสหนังไม่ทะลอกเลยอาจามหาบัวใช้สับนวลนี้กิเลสหนังไม่ถลอกเลยหนังใครถลอกหนังเราสินั่งนานๆหลายชั่วโมงก็ถลอกนะ <c oughs> เป็นแปลปกดทับได้นะแต่ไม่ใช่ไม่ดีนะบางท่านต้องทําอย่างนั้นบางท่านต้องทรมานเป็นพวกทุกข์ขาปฏิปทา แต่ไม่ใช่ทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นแล้วแต่จริตนิสัยคนแล้วแต่อินทรีย์แก่อ่อนกว่ากันแล้วแต่กิเลส ท, ที่รุนแรงกว่ากันคนที่กิเลสรุนแรงก็ต้องหัดแบบเข้มงวดกวดขันดุเดือดเรียกว่ามีทุกขาปฏิปทาคนที่กิเลสเบาบางก็เป็นสุขขาปฏิปทาหัดง่ายๆสบายๆการนะแต่ละคนไม่เหมือนกันที่สําคัญนะต้องมีใจที่ตั้งมั่น ใจที่ไม่ตั้งมั่นมีสองแบบหน้าอันหนึ่งไหลไปไหลามาตามกิเลสไปทางโน้นทีตามกิเลส ไ, ไปทางนี้ทีอีกอันหนึ่งคือเข้าไปจอนิ่งๆอยู่ในอารมณ์เดียวอันนี้เป็นกิเลสชั้นสูงเรียกว่ารูปปราคาบ้างอารูปปราคาบ้างส่วนตามกิเลสไปวุ่นวายทางโน้นทาง น, น, าง น, น, างนี้นั้นก็เป็นกรรมราคะไปอยากได้อารมณ์ทางตาหูจมกูกลิ้นกายสายแสบไปเรื่อยมีการมราคะแทรก จิตน้อมลงไปนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะพออกพอใจในการเพ่งรูปนะมีรูปปรคาคะบางคนพอใจในการเพ่งความว่างเพ่งนามทั้งหลายนะแล้วก็มีความสุขมีความเพลิดเพลินพอใจอยู่เรียกว่ามีอรู ป, ปรคาคะเห็น่ไหมมีกิเลสท่านะั้นเลยยิ่งภาวนานะไม่ได้ลดกิเลสนะมีแต่สะสมกิเลสไปเรื่อยแต่จิตตั้งมั่นอยู่จิตจะไม่ไหลไปไม่หลงไปนะจิตมีความเบามีความนุ่มนวลอ่อนโยน มีความคล่องแคล่วว่องไวซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่ถูกกิเลสไม่ถูกนิวรณ์ใดๆครับงําเห็นั้นจิตอย่างนั้นถึงจะควรแก่การที่จะปฏิบัติธรรมจริงๆอย่างเราลงมือปฏิบัตินะจะไปเดินจงกรมเราก็อยากละเดี๋ยววันนี้อยากเดินอยากเดินมันก็อยากนั่นแหละเคยมีหลวงพ่อองค์หนึ่งตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวชประมาณปี3738จ็ดสาเอสองเจ็อะไรเงี้ย 2, 7, 2, เข้าไปที่วัดแห่งหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมานะก็จะไปภาวนาใจมันอยากภาวนามีพระองค์หนึ่งนะท่านตะโกนข้ามสะน้มมาเลยบอกปราโมดอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วนี่สอนมาอย่างนี้นะสอนกลางอากาศเลยเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นเราโอแค่อยากปฏิบัติก็ผิดแล้วไม่ต้องพูดถึงการลงมือปฏิบัติไปตามความอยากเลยแค่จุดสตาร์ทก็ผิดแล้ว กลางทางปลายทางมันจะถูกได้ยังไงพอเรารู้ทันนะใจมันมีความอยากเรารู้ทันอยากปฏิบัติก็ผิดละถ้าอยากปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัตินะสิ่งที่ตามมาคือการเพ่งถ้าไม่เพ่งกายก็เพ่งใจมีอยู่เท่านั้นแหละ ล, ลงมือทําก็ทําได้แค่นั้นนะ่ะไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้จริงหรอกเพราะนั้นให้เรารู้ทันใจของเรานะใจเราไม่มีกิเลสตัณหาใ ด, ดๆครอบงา จ, จิตใจอ่อนโยน จ, จิตใจเบาๆ จ, จิตใจสบาย จ, จิตใจปลาดเปรียจจ่ยวจิตใจรู้อารมณ์ทั้งหลายซื่อๆอะไรเกิดขึ้นเอารู้ซื่อๆหลวงพ่อคําเขียนชอบพูดรู้ซื่อๆท่านเก่งนะพยายามไปรเรียนกับท่านบ้างจะได้เฉลี่ยกันไปไปหาหลวงพ่อคําเขียนบ้างท่านสานให้รู้ซื่อๆหมายถึงสภาวะใดปรากฏก็รู้ไปด้วยใจสบายๆนะเช่นร่างกายมันทุกข์ ร่างกายมีความทุกข์รู้ซื่อๆก็เห็นร่างกายมันทุกข์ไม่ใช่ดูให้มันเป็นความสุขขึ้นมาจิตใจมันฟุ้งซ่านดูด้วยใจซื่อๆก็เห็นว่าจิตมันฟุ้งซ่านไม่ใช่เราฟุ้งซ่านกายมันป่วยไม่ใช่เราป่วยเห็นเล็กทั้งกายทั้งใจมันทำงานของมันเองไม่ใช่ตัวเรารู้ซื่อๆไม่ต้องไปดัดแปลงนะไม่จาเป็น่ต้องดีเสมอไปหรอกชั่วก็ดีก็พอๆกันแหละ สมัยก่อนมีคนมาเล่าหพ่อไม่ได้ยินเองบอกไปคุยกับท่านพุทธทาสท่านบอกชั่วก็ดีอับ ป, ปรีพอกันนะอันนี้ไม่ยืนยันนะพราไม่ได้ยินด้วยหูตัวเองแต่ท่านพุทธทาสท่านชอบพูดคาว่าอับ ป, ปรีอนะอับ ป, ปรีแปลว่าไม่น่ารักเพราะฉะนั้นใครทำตัวไม่น่ารักเนี่ยคนอับ ป, ปรีนะ <c oughs> มันมาจากรากศัพท์คืออ ป, ปียะปียะผู้เป็นที่รักใช่ไหมอย่างพระปียะมหาราชมหาราชที่รัก น, นีคน่คนไม่น่ารักเรียกคนอปิยะคนไม่น่ารักภาษาไทยเลยไม่ใช่อัปลนะีรักศัพท์ตัวเดียวกันให้เราทําตัวน่ารักน่ารักนะจะได้ไม่อปรีจะได้เป็นปิยะนะบางคนทําตัวดีนะไม่ใช่เป็นที่รักของมนุษย์อย่างเดียวเขาเรียกเทวานําปิยะทัศน์ีเป็นที่รักของเทวดาเทวดารักนะเทวดารักคนดีๆช่วยเหลือ เทวดาก็มีจริงๆนะไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่นิจยายหลอกเด็กเขาช่วยเราได้แปลกๆเหมือนกันแต่ว่าอย่าไปเอาเขาเป็นที่พึ่งเขาเองก็เป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งเขาก็มีความทุกข์ของเขาไม่ใช่ที่พึ่งแต่เป็นมิตรกันได้เป็นมิตรช่วยเหลือกันได้หลวงพ่อเคยเจอหน้าขาหนึ่งเดินลงจากกุฏิที่สวนโพเดินถนนที่สวนโพก็ไม่กว้างเท่าไหร่ระหว่างกุฏิเดินแคบๆเดินไป เดินเลยไปแล้วนะนี่มันมีใครเอาไม้อะไรมาวางไว้ท่อนหนึ่งว่าอยู่ข้างถนนเนี่ยเาเดินเฉียดมันมาห่างแค่เนี้ยอันไปถูกงูงูเห่านะแต่งูเห่าตัวนี้ตัวแข็งชื่อเลยตัวแข็งหัวแบนติดพื้นเลย <c oughs> กระดุกกระดิกไม่ได้นี่เราภาวนานะถึงข่าวขับขันจนตัวก็มีคนช่วยเออแต่ว่าไม่ได่เข้าเป็นที่พึ่งนะ ไม่ใช่สารณะนะสารณะนะต้องเป็นพระรันตนตรัยเทนะ่านั้นนาพรนาไปเถอะก็เป็นที่รักของเทวดาของมนุษย์นั้นหัดรู้สึกตัวนะหัดรู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วก็คอยรู้ทันจิตจิตมันไหลไปไหลามาไหลไปไหลามาเราคอยรู้ไว้ถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปไหลามาเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาตั้งเองอย่าไปดึงไว้นะถ้าจงใจไปดึงไว้ใช้ไม่ได้จะเคร่งเครียด แต่ถ้าจิ ต, ตวิ่งไปดูรู้ทันจิตวิ่งไปฟังรู้ทันจิตวิ่งไปคิดรู้ทันจิตไปทําอะไรรู้ทันรู้เรื่อยจิ ต, ตจะตั้งมัน่นขึ้นแต่ตั้งชั่วขณะตั้งในขณะที่รู้ทันจะเห็นว่าตัวที่วิ่งไปไม่ใช่จิตละเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูทั้งหมดเลยจิ ต, ตมันจะตั้งมั่นเป็นคนดูสบายๆแล้วก็คอยรู้สภาวะไปเรื่อยนะความโลภเกิดก็รู้ความโกรธเกิดก็รู้ความหลงเกิดก็รู้อันนี้เป็นการฝึกสติ หาก ด, ดูสภาวะเรื่อยๆนะแล้วจะเกิดสติหากรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นแล้วจะเกิดความตั้งมั่นถ้าเรามีทั้งสติมีทั้งจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยสิ่งที่จะได้ทันทีเลยคือปัญญาปัญญามจะเกิดขึ้นมันจะเห็นว่าทุกสิ่งที่สติไประลึกรู้เข้าเนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกนะจิตมันเป็นคนดูมันอยู่ต่างหากมันเห็นกายเคลื่อนไหวกายนี้ไม่ใช่เรามันเห็นเวทนาแทรกเข้ามาในกายมันก็เห็นเวทนาไม่ใช่เรา เห็นเวทนาแทรกเข้ามาในจิตก็รู้ว่าเวทนาไม่ใช่เราเห็นกุศลอกุศลแทรกเข้ามาในจิตก็รู้ว่าไม่ใช่เราเห็นจิตเกิดดับทางระวาลทั้งหกก็รู้ว่าจิตมันก็ไม่ใช่เราอะไรๆไม่ใช่เราทั้งหมดเลยใจยตั้งมั่นใจตั้งมั่นนี่สำคัญมากในพระไตรปิฎกท่านจะพูดถึงเรื่องการเข้าฌานการเข้าฌานก็เป็นการฝึกให้จิตตั้งมั่น ส่วนที่พวกเราเข้าเนี่ยมันไม่ใช่ฌานแท้ๆนะส่วนใหญ่ที่นั่งภาวนา ง, งอกๆแงๆนะๆอยนะั้นนั่งขาดสติไม่ใช่ฌานหรอกยิ่งนั่งยิ่งโมงหะมากยิ่งสติไม่มีนะนั่งเข้าฌานนี่นไม่ขาดสติรู้เนื้อรู้ตัวตลอดหายใจก็เห็นร่างกายมันหายใจไปเรื่อยนะรู้ไปจนกระทั่งใจมันสงบรวมลงมาเห็นลมหายใจเป็นแสงสว่างทีแรกก็เป็นแสงเป็นเส้นๆนะเป็นเส้นเป็นเกลียวไหลขึ้นไหลลง มาดูไปได้นั้ๆแสงมันจะรวมเป็นดวงขึ้นมาดูดวงนี้ย่อได้ขยายได้สว่างดวงสว่างดูไปดูไปจิตมีปีติขึ้นมาแล้วมีวิตกก็คือการตรึกถึงดวงกสินนี้มีวิจารณ์ก็คือใจเคล้าอยู่ในดวงกสินนี้โดยไม่ได้เจตนาก็มีปีติขึ้นมามีความสุขจิตใจไม่หนีไปไหนเลยจิตใจจดจอ่ออยู่ในดวงกสินนี้นี่เรียกว่าปฐมฌานน ะ, ะนี่ปฐมฌานไม่ขาดสติไม่ใช่นั่ง นี่เราบอกว่าเข้าวชานไม่ใช่ดังนั้นเข้านอกชานมัลงปเป็นเรื้ออยู่ตามพื้นดังนี้รู้สึกตัวเรื่อยๆนะเห็นจนกระทั่งใจมันตั้งมั่นเนื้อใจตรงที่ทําชานมาแล้วมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยมันตั้งได้นานในพระไตรปิฎกจะพูดถึงว่าพอออกจากชานนะมีจิตที่เบามีจิตที่นุ่มนวลมีจิตที่ควรแก่การงานมีจิตที่คล่องแคล่วว่องไวมีจิตที่ซื่อตรงในการรู้อารมณ์ น้มน้อมจิตนี้ไปเพื่อยานทัศนะคือใช้จิตนี้แหละมีสติไปรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นตัวเนี้ก็จะเกิดยานทัศนะขึ้นมาเห็นเครื่องมือสองตัวนะั่นแรกมีสติอันที่สองมีความตั้งมั่นของจิตไม่ใช่ไหลไปแช่ในอารมณ์เห็นมีสติฝึกสติก็คือฝึกหัดรู้สภาวะไปสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่น น, นี่เราเข้าชานไม่เป็นเราก็ใช้วิธีทางลัดเอา ถ้าเข้าฌานได้มันจะได้สมาธิลึกในขั้นอัปปนาสมาธิถอนออกมาอยู่ในอุปจาระนะยังดูสภาวะต่อได้แต่ถ้าทําอย่างนั้นไม่ได้เราก็รู้สึกเนอะรู้ทันจิตที่ไหลไปจะได้คณิกะสมาธิได้สมาธิอีกชนิดแต่แค่คณิกะสมาธินี่ก็พอจะเป็นพระอรหันต์ได้ละถ้ามีนะส่วนมากไม่มีกระทั่งคณิกะสมาธิมีแต่สมาธิเพ่ง ใจเพ่งๆแข็งๆเครียดเครียดซึมซึมนั้นมิจฉาสมาธิไม่ใช่สัมมาสมาธินั่นฝึกไปนะฝึกไปให้กันบ้านอันแรกเลยหัดรู้สภาวะไปความโลภเกิดก็รู้ความโกรธเกิดก็รู้ความหลงเกิดก็รู้นะดูไปเรื่อยแล้วใจมันไหลไปที่ไหนก็คอยรู้ไปถ้าใจไม่ไหลไปนะใจตั้งมั่นอยู่แล้วมีสติ ความโลภเกิดน่ะมันรู้เองนะความโกรธเกิดมันรู้ได้เองความหลงเกิดรู้ได้เองฟุ้งซ่านหดหูเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดขึ้นรู้ได้เองโดยไม่ต้องจงใจรู้เรียกว่าสติมันอัตโนมัตินี่อย่างนี้ใช้ได้ละแล้วก็ใจตั้งมั่นใจไม่ไหลเช่นเห็นความโกรธใจก็ไม่ไหลไปที่ความโกรธเห็นท้องใจก็ไม่ไหลไปที่ท้องเห็นลมใจก็ไม่ไหลไปที่ลมใจตั้งมั่นอย่างนุ่มนวลไม่ได้ตั้งแข็งแข็งด้วยกันบังคับ ถ้ตั้งแข็งๆด้วยการบังคับก็ยังไม่ใช่ยังเป็นมิจฉาสมาธิอยู่ต้องนุ่มนวลสบายๆใจไม่ไหลไปถ้ามีสติแล้วมีสัมมาสมาธิปุ๊บเนี่ยปัญญาจะเกิดเช่นเห็นร่างกายนี่หายใจไม่ใช่เราหายใจเห็นร่างกายยืนไม่ใช่เรายื น, นเห็นร่างกายนั่งไม่ใช่เรานั่งเห็นร่างกายนอนไม่ใช่เรานอ น, นะจะเห็นอย่างนี้เลย พอมาเห็นความสุขความทุกขนะ์แล้วก็จะเห็นเลยความสุขความทุกข์เป็นของแปลกปลอมเพราะมาในกายในใจชั่วครั้งชั่วคราวผ่านมาผ่านไปก็ไม่ใช่ตัวเราอีกเห็นจิตเห็นใจนะจิตเป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างก็เห็นว่าจิตมันโลภจิตมันโกรธจิตมันหลงมันไม่ใช่เราโลภเรากรัวเราหลงจะรู้สึกว่าไม่มีเราหรอก เห็นจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธเห็นจิตมันโลภไม่ใช่เราโลภเห็นจิตมันหลงไม่ใช่เราหลงจิตมันคิดไม่ใช่เราคิดนะจิตมันสุขไม่ใช่เราสุขจิตมันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์เห็นอย่างนี้เห็นไหมเห็นกายมันยืนเดินนั่งนอนเห็นจิตมันทํางานสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายทั้งปวงเป็นเรื่องของกายกับจิตไม่ใช่ของเรากายกับจิตไม่ใช่ของเราให่ดูอย่างนี้เรื่อยๆไปนะวันหนึ่งปัญญามันแก่รอบพอม่็รู้เลย ขันห้ามันทํางานไม่ใช่เราทํางานกายไม่ใช่ตัวเรากายก็ส่วนกายไม่มีตัวเราในกายนะจิตก็ส่วนจิตไม่มีตัวเราในจิตกายมันทํางานจิตมันทํางานไม่ใช่เราทํางานไม่ดูอย่างนี้เร่ยถ้าเป็นพระโสดาบันเห็นว่าตัวเราไม่มีแล้วงั้นต้องสร้างเครื่องมือขึ้นมาสองตัวนะตัวที่หนึ่งเรียกว่าสติตัวที่สองคือสัมมาส ม, มาธิ การจะให้เกิดสติคือหัดรู้สภาวะไปเรื่อยมันโกรธก็ ร, ร, กรู้มันโลบก็รู้มันหลงก็รู้หัดรู้สภาวะเรื่อยๆจอกระทั้งเห็นในสภาวะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาสู่ภูมิรู้ของจิตบางคนฝึกตรงนี้เลยนะก็ตั้งมั่นขึ้นมาได้เลยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาสู่ภูมิรู้ของจิตร <h az ard> ่างกายก็เป็นของที่จิตรู้อะไรๆก็เป็นของที่จิตรู <t> ้ความสุขความทุกข์ก็ของจิตรู้โลบโกรธหลงก็เป็นของที่จิตไปรู้ เนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาล้วใช้วิธีนี้ก็ได้เหมือนกันมีวิธีเห็นไหมเยอะแยะง่ายจะตายไปแต่วิธีที่ถูกนะเทียบกับวิธีที่ผิดแนละ้ววิธีที่ผิดมันเยอะกว่าเยอะกว่าไม่รู้จะเทียบกันได้ยังไงนะวิธีที่ถูกนะเหมือนเหมือนจุดอยู่บนปลายเข็มเล็กๆนะวิธีที่ผิดนี่มันเกลื่อนไปหมดเต็มแผ่นดินเต็มโลกต้องเรียนนิดหน่อยนะเรียนให้รู้หลัก พยายามรู้สึกนะเมื่อกี้ตอนที่หลวงพ่อหยุดพูดแว๊บหนึ่งรู้สึกไหมจิตแอบไปคิดจิตเผลอแวบบ๊บรู้สึกไหมจิตเคลื่อนไปคิดดูออกไหมจิตไหลไปรู้สึกไหมส่วนใหญ่นะพวกนึกก็เพ่งไว้แต่ส่วนมากก็จิตจยเคลื่อนไปเอาเรามาซ้อมจิตเคลื่อนเชิญดูพระข้างหลังเป็นหลังต้องหาตุ๊กตามาตั้งอ <c oughs> หาเจ้าเงาะรสชนาอะไรง้ <c oughs> มาตั้ง เอาเชิญดูยังเก่งไ้มเวลาที่ดูพระจิตเราไหลไปอยู่ที่พระดูออกไหมเอาพอละนะเราหันไปดูเอาหัวแม่มือตัวเองขึ้นมาดูหัวแม่มือตัวเองเข้ามีสองพวกนะพวกหนึ่งจิตสายไปสายมาดูออกไหมพวกหนึ่งจิตไหลไปอยู่ที่หัวแม่มือจิตสายไปสายมาเนี่ยคือจิตมันฟุ้งซ่านจิตไหลไปอยู่ที่หัวแม่มือจิตไปเพ่ง เนี่ยตัวที่ผิดมีสองอันนะอันหนึ่งก็หลงฟุ้งซ่านแบบอันหนึ่งก็เพ่งเอาไว้เนะฉะนั้นหัดดูนะลองไปว่างๆก็ดูหัวไม่มือบ้างดูนิ้วชี้บ้างนะดูของตัวเองนะไม่ต้องไปดูคนอื่นนะเดี๋ยวจะไปวิจารณ์ว่าเล็บพอสกปรกนะดูของเราเองมีข้อแก้ตัวให้เสมอเนี่ยใครรู้ทันจิตไหลไปไหลมาใครรู้นะบางทีเราจะดูหัวไม่มือเนี่ยจิตสายใหญ่สายสายสายเรารู้ทันว่าจิตสายนี่ใช้ได้ละ เรียกว่าหัดรู้ทันจิตนะจิตไหลไปนิ่งๆอยู่ที่หัวแม่มือก็รู้ทั น, นตรงที่จิตสายไปสายมาเนี่ยสุดโตไปข้างหลงข้างฟุ้งซ่านนะตรงที่จิตเป็นนิ่งอยู่ในหัวแม่เมื อ, อนเดียวเนี่ ย, ยเป็นจิตที่เพ่งจิตที่บังคับไว้ตรงที่จิตสายไปมาหลงตามกิเลสไปเนี่ยเรียกว่ากรรมอสุขาริการุโยกตรงที่เพ่งเอาไว้ในอารมณ์อันเดียวเรียกว่าอัตตะกิลมัฏานุโยกแล้วตรงไหนที่ถูกตรงที่รู้นั่นแหละถูก เช่นเห็นจิตใสไปใสมารู้ว่าจิตใสไปใสมาอันนี้แหละคือรู้ไปเพ่งหัวแม่มือจิตไหลเข้าไปอยู่ในหัวแม่มือรู้ว่าจิตไหลเข้าไปอยู่ในหัวแม่มืออันนี้แหละเรียกว่ารู้เห็นไหมดังนั้นดูหัวแม่มืออันเดียวหน้าจะเป็นพระอรหันต์ได้เพราะว่ามันคลุมสภาวะไว้สามอย่างเลยนึกออกไหมเวลาเราดูหัวแม่มือจิตเราสายไปใสมามันหนีไปเรื่อยนี่จิตฟุ้งซ่านตามกิเลสต่างๆนะที่ก็ฟุ้งไปทางราคะโทสะโมหะเลย อย่างหนึ่งนิ่งสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนี่นี่พวกติดเพ่งพวกหนึ่งเผลอพวกหนึ่งเพ่งนะแล้วก็ตัวที่รู้ว่าเผลอตัวที่รู้ว่าเพ่งเนะี่ยเรียกว่ารู้ะหัตนะนะแค่เนี้ง่ายง่ายถูกหลวงพ่อจับกรรมาฐานอะไรมันง่ายหมดเลยนะแต่ก่อนจะง่ายนะก็ยากสาหัสนะกว่าจะจับแก่นของมันได้จับหลักของมันได้แต่เดิมก็คิดเหมือนพวกเราแหละ ว, ว่าทํายังไงมันจะดี เช่นรู้ลมหายใจดีหรือจะรู้ท้องฟองยุบดีหรือจะเดินจงกรมดีหรือจะนั่งสมาธิดีหรือต้องทำความสงบก่อนสงบแล้วต้องมารู้กายก่อนไหมหรือจะดูจิตไปเลยคิดเหมือนกับพวกเราคิดนั่นแะถ้าเข้าใจหลักแล้วจะรู้อะไรอะไรก็ได้ที่ถูกกัจจลิตินิสัยของเราถ้าถูกหลักแล้วอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าผิดหลักอะไรก็ผิดทั้งนั้นแหะพอไหวไหมจีมอกหักเรียนเรื่องนี้ ไหนยกมือให้ชมโมไหนพวก อ, อ, อกหักเปลี่ยนชื่อทีมได้ละพีโมออกหังอะ่ะมันไม่หักหรอกนะอย่าหนี้กลับบ้านนะอดทนไว้นะอดทนลงทุนให้กับชีวิตตัวเองไนหะนๆเขาก็อุตสาหออกทุนให้มาเรียนเขาเก็บตังค์ไหมไม่เก็บนะก็อุตสาหเขาอุตสาหให้มาเรียนฟรีแล้วนะเราตั้งใจนะอย่าหนี้กลับบ้านนะบางคนมาวันสองวันอ้างโน้น อ, อ้างนี่ นะแม่ยายป่วยพ่อตาคนที่เจ็จะตายละวอะไรเงี้ยเรื่องมากนะหนีจะหนีนั่นเองต้องลงทุนให้กับชีวิตตัวเองนะคนอื่นเขาก็ช่วยเราแล้ ว, ลวเกื้อกูลให้เราได้มาเรียนเราก็ตั้งใจครับการปฏิบัติไม่ยากหรอกฟังหลวงพ่อสามวันสี่วันเนี่ยก็เป็นลนะมันง่ายกว่าที่เราคิดเยอะเลยส่วนใหญ่มันไปชอบไปเพ่งเอาเพ่งเอาเพ่งเอามันจะได้อะไรก็ได้เพ่งสิ เพ่งหัวไม่มือเนี่ยเพ่งใจไปจออยู่ในหัวไม่มือไม่ได้อะไรได้แต่ความสงบแล้วเพ่งแรงเกินไปก็ได้ความเครียดเพ่งพอดีพอดีก็ได้ความสุขความสบายเอาแค่นั้นเหลอชีวิตตื้นเกินไปพยายามรู้สึกตัวนะใจลอยไปก็รู้ใจแอบไปเพ่งไว้ก็รู้นะว่างๆก็ไปนั่งซ้อมนะนั่งซ้อมดูหัวไม่มือจิตสายไปสายมาก็รู้นี่ฟุ้งซ่านจิตเพ่งอยู่ในหัวไม่มือก็รู้ ก็จิตสายไปสายมาเรารู้นี่เรียกว่ารู้ใจมัจะตื่นขึ้นมาจิตไปเพ่งจิตไหลเข้าไปอยู่ในหัวแม่มือรู้ว่าจิตไหลเข้าไปก็จะตื่นขึ้นมาอีกรู้ทันจิตเมื่อไหร่จิตก็จะตื่นเมื่อนั้นแนหะถ้ารู้ไม่ทันจิตจิตก็หลงเมื่อนั้นแนหะแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องตื่นตลอดเวลารู้ตลอดเวลาไม่จําเป็นนะรู้เท่าที่รู้ได้แต่ให้มันบ่อยหน่อยอย่าให้หน่าเกลียดถึงขนาดสามวันรู้ทีหนึ่ง ม, มันทุเล็ดเกินไปนะพยายามรู้สึกตัวรู้สึกตัวบ้าง จิตไหลไปคิดก็รู้จิตวิ่งไปดูก็รู้จิตวิ่งไปฟังก็รู้นะรู้เรื่อยๆใจก็จะตั้งมั่นขึ้นมาจิตโลภจิตโกรธจิตหลงก็รู้เห็นไหมหลวงพ่อไม่ได้บอกว่ารวรเราโลภเราโกรธเราหลงนะหลวงพ่อใช้คำจิตโลภจิตโกรธจิตหลงร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนนะไม่ได้บอกว่าเรายืนเดินนั่ง น, นอนถ้าใจตั้งมั่นเราจะเห็นอย่างที่หลวงพ่อบอกถ้าใจไม่ตั้งมั่นจะรู้สึกว่าเรายืนเดินนั่งนอนเราโลภเราโกรธเราหลงะ ถ้าใจมีสัมมาสมาธิจะเห็นร่างกายมันเป็นคนทำจิตใจมันเป็นคนทำ ม, มันเหมือนเราดูละครกายนี้ก็เล่นละครให้เราดูจิตก็เล่นละครให้เราดูเราเป็นแค่คนดูละครอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปเป็นผู้กำกับเวทีคอยแทรกแซงนะอย่าไปเป็นนักประพันธ์แต่งบทให้เขาเดินไม่ต้องให้นะทำตัวเป็นแค่คนดูแล้วก็ไม่ใช่นักวิจารณ์เนี่ยไม่ต้องวิจารณ์ว่าละครเรื่องนี้ดีไม่ดีนะคอยดูกายดูใจตัวเองเล่นละครไปได้เขาจะสอนธรรมะเรานะ อา้าวเชิญไปทานข้าวได้นิมนต์เลยครับ